คุมเห็นจะโกรธนะคลิปแบบนี้จะเป็นโชคโชร้ายนะ่ะตามแบบนี้เจอเป็นสีแบบนี้ออกเลยสมน้ามนําสมเด็จหรือต่อเลยตัวของต้นเนี่ยทาคนขับสติขับสํานึกขันสุภาพด้วยนะเป็นห่วงตะ้ง ก, กาปอกคุยจะเหมือนลูกหลงพ่อแหมรายตําคู่สรุปเรื่องนี้กณิาโปสเตอร์น้องติดขอกทวีตูกแต่สะไาย เอานี้ละกันหรือในี่ใครผิดใครจายไม่รู้แต่เตียนแน่พยาบาลนะ่ะปลอมทำไมก็นี่ไงก็ไปเล่นบา็อกก็ไปหาสิหมออื่นโทรถึงมารองอ่อนเลยก้อยนี่คื อ, อกาสกับการที่เกค้อวกับแท่สำคัญไม่งั้นผมไม่เชื่อเห็นตัวเดียวก็ตกใจแล้วถามนาสักนิดพี่เขาอยู่ไหนกันเนี่ย เรื่องคบไม่ใช่เรื่องยาแต่เรื่องคบเนี่ยมันยากเกินไปไหมเข้าไปอยู่ในหมาที่ อ, อะไรแล้วมันคิดอะไรตีผู้อีกสานึกทำดีสบองบ้างว่างไหม